ตลอดพอรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจผูศสทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนวทศศักราช2557เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฝันธรรม พรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่าคำสอนต่างๆในโลกนี้สู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไร พ่าคำสอนต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถสอนให้คนดับความทุกข์ใจได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถสอนให้สารโลกอย่างพวกเราดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ การที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงค์จึงเป็นศรัทธาความเชื่อที่ถูกต้องที่จะนำความสุขความเจริญที่จะดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของเราให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้ที่สุด อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับมาและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดับมาถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลคือ ความทุกข์ต่างๆจะหมดไปตามลนำดนับและหมดไปในที่สุดความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับมาแล้วและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับมาแล้ว พวกเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันถ้าเราดำเนินตามแบบตามฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินที่พาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันการดำเดนินนี้เราเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโน ญายปฏิปปโนสามีจิตปฏิปปโนคือการปฏิบัติสลักษณะด้วยกันสุ ป, ปฏิปปโนคือปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปปโนคือปฏิบัติตรงญายปฏิปปโนคือการปฏิบัติเพื่อเพื่อความดับทุกขเพียงอย่างเดียว นาสามีจิปฏิปโนคือการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่คือที่จะทำให้ผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนัก บ, บวชเป็นพระเป็นแม่ชี เป็นภิกษณุณีเพราะไม่ได้จำกัดเพราะอยู่ที่การปฏิบัติเป็นคารวาก็สามารถที่จะได้รับผลเช่นเดียวกันถ้ามีการปฏิบัติสี่ลักษณะอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชารา หรือเป็นคนหนุ่มคนสาวก็สามารถที่จะได้รับผลเช่นเดียวกันถ้ามีเหตุเหตุคือการปฏิบัติสลักษณะนี้สุปฏิฟันโนแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็เหมือนการทำอะไรที่ดีทำไม่ไม่บกคร่อง เหมือนนักเรียนเรียนดีนักเรียนเรียนดีก็มักจะได้ที่หนึ่งเพราะไม่บกพร่องในวิชาความรู้ที่เรียนเวลาสอบก็สอบได้ที่หนึ่งเพราะตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านไม่ทะเลถลายไปทำอย่างอื่นก่อนก่อนจะไปทำอย่างอื่น ต้องทำหน้าที่ของการเรียนให้สมบูรณ์ก่อนเช่นเวลากลับมาบ้านก็ทำการบ้านก่อนดูหนังสือก่อนก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นก่อนที่จะไปเล่นไปดูทีวีไปทำอะไรต่างๆต้องทำหน้าที่ของการเรียนก่อนถ้าไม่ทำหน้าที่ของการเรียนก็จะ บกพร่องในหน้าที่เวลาสอบก็จะไม่ได้คะแนนเต็มจะไม่ได้ที่หนึ่งก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นการเรียนดีนักเรียนที่เรียนดีมักจะได้ที่หนึ่งผู้ปฏิบัติ ด, ดีก็เช่นเดียวกันก็จะได้ผลที่พึงจะได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติดีก็คือให้มีความเค้่งครัดต่อการปฏิบัติของเราไม่ไปเสียเวลากับเรื่องราวต่างๆไม่ทะเลทลายออกนอกลูก่นอกทางขยันปฏิบัติมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติทันทีอย่างญาติโยมวันนี้พอมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน ก็มาวัด ท, ทันทีมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องว่าปฏิบัติดีคือมีความตั้งใจมีความภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่จะไม่ให้เวลาที่มีคุณค่าของชีวิตนี้เสียไปกับการกระทำอย่างอื่น จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำบุญทำทานให้กับการรักษาศีลให้กับการภาวนาจะไม่เสียเวลากับการไปเที่ยวจะไม่เสียเวลากับการไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามตามสถานบันเทิงตามโรงมหรสพต่างๆจะไม่เสียเวลากับการไปเดิน ตามสนการค้าเพื่อหาของสวยๆงามๆมาใช้มาสวมมาใส่เพราะมีของใช้พอเพียงอยู่แล้วถ้าจะดูจะ ซ, ซื้อก็ต้องซื้อในสิ่งที่ขาดแคลนที่จำเป็นจะต้องมีแต่ถ้ามีพอแล้วก็จะไม่ไปเสียเวลาสู้เอาเงินทอง ที่ไปใช้กับความบันเทิง ม, มหรสพไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่างๆเอามาทำทานอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติดีทำทานแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้าให้ได้ครบทุกวันทุกเวลาวันพระก็ถือศีลแปแล้วก็ ภาวนาก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งทำสมาธิฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าภาวนาตอนเย็นกลับมาจากที่ทำงานก่อนจะเข้านอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเป็นการปฏิบัติดี ถ้าทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นไปเท่านั้นนี่เรียกลักษณะของการปฏิบัติดีที่จะนำผลมาให้แก่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตรงก็คือปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพ่ะพระเจ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปปฏิบัติอย่างอื่นจะไม่ไปศึกษาจากผู้อื่น จะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์จะไม่ไปหาหมอดูจะไม่ไปเรียนวิชาอื่นๆนอกจากวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรียนทรงสอนให้ปฏิบัติเท่านั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไปสนใจกับคําสอน ของผู้อื่นคำสอนของผู้อื่นถ้าไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เชื่อจะไม่ปฏิบัติจะเชื่อแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้ผล ที่ปรารถนาคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีคำสอนของผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้ดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างคำสอนของหมอดูอย่าไปเชื่อให้เสียเวลาให้เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่า เชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อพระ อ, อริยสงสาวกหมอดูเขาก็ว่าไปตามความรู้ของเขาแต่ความรู้ของเขานี้ไม่สามารถสอนให้เราดับความทุกข์ภายในใจได้ต้องใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือต้องทําทานอย่ายึดอย่าติดอย่าหวง ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพราะความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะทําให้เราทุกขไม่ใช่ทําให้เราสุขอย่างวันนี้เราไม่ยึดติดกับเงินทองส่วนหนึ่งเราเอาเงินทองที่เราไม่ยึดติดนี้มาซื้อข้าวของต่างๆแล้วนําเอามาถวายพระเราแทนที่จะมีความทุกข์ เรากลับมีความสุขเพราะเราไม่หวงเราไม่ยึดติดกับเงินทองก้อนนี้เราต้องพยายามทำบ่อยๆทำเรื่อยๆให้เป็นนิสัยให้พร้อมที่จะปล่อยเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีอยู่เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเวลาเราจากโลกนี้ไป เราก็ต้องสละเงินทองของต่างๆบุคคลต่างๆไปหมดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ซ้อมปล่อยวางเหมือนอย่างที่เรามาซ้อมกันในวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักไป เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปพอเราถึงเวลาไปเราก็ไปอย่างมีความสุขเหมือนคนที่ไปเที่ยวนนนอกตอนนั้นก็จากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ไปด้วยความสุขเพราะอยากจะไปยินดีที่จะไป พร้อมที่จะไปฉันใดถ้าเราพร้อมที่จะไปก็เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวเมือง น, นอกเราไปได้ไปเที่ยวสวรรค์กันถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปเราก็จะไปอาบายกันไปนรกกันเพราะใจของเราจะทุกข์ทรมารยใจที่ทุกข์ทรมารยเวลาตายไปนี้จะไปไม่ดีไปสู่ที่ไม่ดีใจที่มีความสุข เวลาไปนี่จะไปสู่ที่ดีไปสู่สุกติคือไปสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองดัง น, นั้นเราต้องเชื่อพระพธธุทธเจ้าอย่าหวงกับข้าวของเงินทองกับบุคคลกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่พราะเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ร่างกายนี้เราก็ต้องไม่หวงเช่นเดียวกันเราต้องพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้จากเราไปเหมือนกับวันนี้เราพร้อมที่จะให้ข้าวของเงินทองที่เรานำมามาถวายพระจากเราไปพอเราพร้อมแล้วใจเราก็สบายไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่พร้อม เวลาของจากเราไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเช่นถ้ากลับไปบ้านแล้วขโมยขึ้นบ้านตอนนี้ถ้าเราไม่พร้อมที่จะสูญเสียของในบ้านพอกลับไปในบ้านไม่เจอตู้เย็นไม่เจอพัดลมไม่เจอทีวีไม่เจอข้าวของต่างๆเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเตือนใจเรื่อๆว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนไม่มีใครที่จะไปกำหนดได้ว่าของต่างๆทรัพย์มสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่จากเราไปหรือจากตามเวลาที่เราต้องการให้เขาจากถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาเรากลับไปบ้านแล้วไม่มีบ้านอยู่เราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากบ้านของเราไปถ้าเรายังมีปัญญาเราก็หาบ้านใหม่ได้เวลาเรามาเกิดเราก็ไม่มีบ้านที่เอามากับเราพอเราเกิดแล้วพอเราโตเรามีปัญญาเราก็หาเงินหาทองไปซื้อบ้านมาอยู่ได้ ถ้าไม่มีบ้านซื้ออยู่ก็เช่าเขาอยู่ก็ได้ถ้าไม่มีเงินจะเช่าอยู่ก็ไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามสวนอยู่ตามไร่อยู่ตามป่าอยู่ตามที่ร้างไปก็ได้คนเราไม่มีที่สิ้นไม่มีที่จนตรอกถ้ามีปัญญาถ้ามีความกล้าหาญที่พร้อมที่จะรับกับสภาพต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเพราะว่าใจของเรา n รับกับทุกสภาพได้ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ใจนี้สามารถที่จะรับกับทุกสภาพได้เพราะธรรมชาติของใจนี้เพียงแต่เป็นผู้รู้เท่านั้นเพียงแต่รับรู้เท่านั้น ถ้ายินดีที่รับรู้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยินดีที่จะรับรู้ก็จะทุกข์ความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่ความยินดีหรือไม่ยินดีนี่นถ้ายินดีที่จะรับกับทุกสภาพรวยก็ยินดีจนก็ยินดีเวลา<ๆ>รวยก็ไม่ทุกข์เวลาจนก็จะไม่ทุกข์ถ้ายินดีแต่ความรวยไม่ยินดีกับความจน เวลาเกิดความโจนขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเราต้องสอนใจของเราให้ยินดีรับกับทุกสภาพมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่ต่อไปถ้าใจยังมีความอยาก ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันไห่เหมือนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านไม่มีความอยากท่านก็เลยไม่ต้องไปหาร่างกายอันไหม่ที่ท่านไม่มีความอยากเพราะท่านเบื่อกับความเกิดเบื่อกับความแก่เบื่อกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเบื่อกับความตาย การที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นการที่จะไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากให้หมดไปนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติกันนับตั้งแต่ทำทานขึ้นไปจนถึงขั้นภาวนาการปฏิบัติของท่านนี้เพื่อตัดความอยากเท่านั้น เพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจท่านต้องการปฏิบัติญายะปฏิปโนญายะแปลว่าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเพราะการกลับมาเกิดแม้จะเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ดี พอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการปฏิบัติของศาสนาพุทธจึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดเพราะการไม่กลับมาเกิดนี้จะเป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรถ้าตราบใดยังมีความอยากจะกลับมาเกิดเช่นทําบุญทําทานแล้วก็อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยถึงแม้ว่าจะรวยก็ต้องแก่ ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย mm hmm. เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายความรวยก็จะมาดับความทุกข์ใจไม่ได้ mm hmm. นี่แหละการปฏิบัติถึงต้องปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจดับการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและวิธีที่จะดับการเวียนว่ายตายเกิดดับการความทุกข์ใจก็ต้องดับต้นเหตุก็คือความอยากต่าง ต้องฝืนความอยากอย่าไปคิดว่าคนเราไม่มีความอยากแล้วจะอยู่ไม่ได้จะไม่มีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วว่าอยู่แบบไม่มีความอยากนี้มีความสุขมากกว่าอยู่แบบมีความอยากเพราะเวลามีความอยากแล้วมันดิ้น ม, มันทรมานใจแล้วเวลาได้สิ่งที่อยากมาก็ไม่พออยากได้เพิ่มมากขึ้นไป ย, ยิ่งยิ่งทำตามความอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคนที่สูบบุหรี่พออยากสูบบุหรี่ก็สูบพอสูบแล้วก็สบายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่สูบสูบมวนเดียวไม่พอบางคนสูบไปวันละสองซองสามซองสูบไปจกนกระทั่งร่างกายทนไม่ไหว ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอห้ามไม่ให้สูดก็อดไม่ได้เพราะเวลาไม่ได้สูดไม่ได้ทำตามความอยากนี้มันจะทรมานใจจึงยอมเจ็บยอมเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อแลกกับการไม่ต้องทรมานใจแต่การดับความทรมานใจก็ดับได้เดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับคืนมาขึ้นมาใหม่นี่แหละคือ โทษของความอยากที่จะทำให้จิตใจนี้วุ่นวายไม่มีวันจบสิ้นต้องดิน้นต้อ ง, งนนต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยัออยงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องการเงินทองต้องการบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือของความอยากก็คือการมาเกิดใหม่นั่นเองนี่คือการปฏิบัติก็เพื่อหยุดความอยากเพราะเมื่อหยุดความอยากได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดและการจะกลับไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติแบบสามีจิปฏิปโนเพื่อต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกอย่างสมัยนี้ก็มีการสอนให้ปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกักกนเช่นสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิถ้าไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้นั่งสมาธิทาไมทำไมต้องมีสัมมาสมาธิก็ตัดทิ้งไปก็ได้คนที่ปฏิบัติไม่มีสมาธินี้ไม่มีวันที่ จะดับความทุกข์ใจได้เพราะใจจะไม่มีกำลังคนที่จะเลิกสุราเลิกบุหรีน่นี้ถ้าไม่มีสมาธินี่เลิกได้ยากแต่ถ้านั่งสมาธิได้ใจสงบเลิกได้ง่ายไม่เดือดร้อนเพราะเวลาใจสงบมีความสุขมีความอิ่มเหมือนกับคนที่กินข้าวมาแล้ว ถ้าไม่ได้กินอีกก็ไม่เดือดร้อนเช่นถ้าญาติโยมกินข้าวมาจากบ้านแล้วพอถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารที่สารานี้ญาติโยมก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้เพราะว่าได้กินอาหารมาแล้วใจที่มีสมาธิก็เป็นเหมือนกับใจที่ได้รับประทานอาหารมาแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมา จะทำตามความอยากก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ไม่เดือดร้อนยิ่งถ้าเห็นโทษของความอยากว่าทำไปแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปว่ามันจะต้องอยากไปเรื่อยๆก็สู้อยากไปทำตามความอยากนี่แหละคือความสำคัญของสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาเกิดความอยากนี่ต้องทำตามความอยาก ถ้าไม่ทำแล้วจะทุกข์มากแต่ถ้ามีสมาธิไม่ได้ทำตามความอยากจะไม่ทุกข์พอใจอิ่มใจสงบนี่แหละคือความสาคัญของสมาธิในการสนับสนุนการใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีสมาธินี่จะหยุดไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรก็ต้องทำให้ถูก ไม่ใช่ทําตามใจฉันทําอะไรทําไม่ได้หรือไม่ชอบทําก็เลยเลี่ยงไม่ทําคนส่วนใหญ่ไม่ชอบนั่งสมาธิกันเพราะมันยากก็เลยคิดว่าเจริญปัญญาได้เลยแต่การเจริญปัญญาก็เป็นการเจริญความคิดเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะระหยุ์ความอยากได้เพราะไม่มีความไม่มีกำลำัง ใจไม่อิ่มใจสู้ความอยากไม่ได้ถ้าใจมีความอิ่มแล้วจะสู้ความอยากได้พอปัญญาสอนว่าความอยากนี้เป็นภัยจะทำให้ต้องไปเกิดใหม่ก็หยุดความอยากได้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเพราะการปฏิบัตินี้มีรายละเอียดมากพอสมควร ต้องไปอยู่กับผู้ที่เขาปฏิบัติถูกต้องแล้วจะง่ายเพราะเวลาเราทำอะไรไม่ถูกก็จะมีคนเตือนเราจะมีธรรมเนียมของพระเวลาบวชใหม่นี้ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปีขึ้นไปก่อนเพื่อจะได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถ้าไปปฏิบัติตามลำพังนี้ รับรองได้ว่าจะไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดผิดก็คิดว่าถูกกันแล้วในที่สุดก็จะล้มเหลวจะไม่ได้รับผลที่ต้องการกันแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติถูกต้องรู้วิธีการปฏิบัติถูกต้องพอท่านเห็นเราทำอะไรผิดท่านก็จะบอกเราเตือนเราพอเราเชื่อเราก็แก้ไข พอเราแก้ไขเราก็จะได้ไม่ทำสิ่งที่ผิดเพราะสิ่งที่ผิดนี้มันจะเกิดโทษกับเราถ้าเราทำสิ่งที่ถูกมันก็จะเกิดคุณกับเรานี่แหละ<ม>คือความสำคัญของครูบาอาจารย์ความสำคัญของพระผู้บวชใหม่ที่จะต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาขึ้นไปก่อน เหมือนกับเด็กที่ออกมาจากท้องพาะท้องแม่นี้ต้องอยู่กับพ่อแม่ก่อนไม่ใช่ให้ไปอยู่ตามลาพังเพราะเด็กจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เลี้ยงดูไปก่อนถึงจ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ต่อไปนี่แหละคือเหตุสี่ประการด้วยกันที่จะนา ผลที่เราต้องการกันคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะไม่สามารถได้รับผลที่เราต้องการกัน และเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติกันเสียโดยซ้ำไปถ้าเราไม่ได้มาศึกษาเพราะเราจะคิดว่าต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะปฏิบัติได้เป็นกาลวาดญาติโยมนี้ไม่มีวาสนาพอที่จะปฏิบัติได้แต่ความจริงทุกคนปฏิบัติได้เพราะมีร่างกายเหมือนกันมีอาการสาสองเหมือนกันมีสติ ป, ปัญญามีจิตใจเหมือนกัน อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นถ้าทำก็จะได้ถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้ถ้าไปคิดว่าตอนเองทำไม่ได้ก็จะไม่ได้ทำแต่พอมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าทำได้ทุกคนทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นค า, ารวะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ทำได้ เพราะในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้ที่ทํากันมาแล้วแลบได้รับผลกันแล้วทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคารวะทั้งนักบวชมีครบหมดมีผู้บรรลุได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ความรู้เหล่านี้แล้วก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจ ที่อยากจะทําอยากจะปฏิบัติพอเรามีกําลังใจเราก็จะปฏิบัติได้พอเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลคือการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด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 โดยทั่วหน้ากัาเธอ <c oughs>